การการเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะก็คือการที่ให้สติเนี่ยโคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าสติเนี่ยเป็นตัวโคจรโคจรเนี่ยแปลว่าเที่ยวไปเจระญเนี่ยแปลว่าเที่ยวไปโดยทั่วไปเนี่ยโคเนี่ยก็คือวัวนะที่ที่ที่วัวมันเที่ยวถ้าหากว่าทางเดินของวัวเนี่ยสําหรับคนที่ล้วงเลี้ยงวัวนี่จะรู้ดีคือมันจะเป็นร่อง มันจะเป็นร่องคือวัว น, นั้นมันจะไม่เดินแบบเปี้ยนป่วนเปี้ยนไปเรื่อยเปื่อยไม่มันจะเดินครับมันจะเดินเป็นร่องนั้นทางเดินของวัวจากการทางเดินของวัวเนี่ยถ้าหากว่าวัวมันเดินทางไหนไปนานาเนี่ยตรงนั้นมันจะร่องลึกขึ้นก็จะเป็นทางน้ําไหลมันจะลึกขึ้นค่อยๆลึกขึ้นจากน้ําไหลเล็กๆมันก็จะกลายเป็นคลอง จะเป็นร่องน้ํากลายเป็นลําคลองกลายเป็นกระแสแห่งแม่น้ําที่มันพร้อมที่จะเป็นไปอย่างน้ําที่มันเบนสายก็เหมือนกันก็คือโคเนี่ยมันไปเดินเดินย่ําไปย่ามาตอนหลังน้ํามันขึ้นมันก็กระวมมันก็แตกไปตามร่องของรอยเท้าโคชั้นใดก็เหมือนกันจิตของเราเนี่ยควรจะสติสติมันก็เกิดร่วมกับจิตนะนะ จะใช้คําว่าจิตก็ได้ใช้คําว่าสติก็ได้เพราะว่ามันสัมปยุทธ์ตปัจจัยสัมปยุทธตรธรรมอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละนะก็เหมือนกับว่าอะไรนะเค็มกับกับน้ําเนี่ยมันอยู่ที่ไหนความเค็มมันก็อยู่ในน้ําน้ําก็มีความเค็มนั่นนะหรือแม่น้ําที่เรียกว่าเอามาผสมกันแม่น้ํามาจากหลายสายมาคละเคล้ากันอยู่ในที่เดียวกันมันก็เหมือนกันจิตกับสติเป็นต้นมันก็ธรรมชาติที่เกิดร่วมกันนั่นแหละมีวัตถุอารมณ์เป็นต้นเดียวกัน ผู้ที่เจริญพุทธานุสติก็คือปล่อยให้จิตเนี่ยไหลไปในพุทธคุณเนี่ยนะโคจรท่องเที่ยวร่องของใจเนี่ยมันลึกไปในเรื่องของพระพุทธเจ้ามั้นพอเจริญพุทธานุสติมากๆขึ้นนะจิตอันนั้นก็ถ้าเป็นใหญ่ขึ้นจิตมันโตขึ้นก็เป็นจิตตาธิปดีเมื่อเจริญแล้วเนี่ยนะศรัทธาเติบโตยิ่งขึ้นศรัทธาถ้ายิ่งแก่กล้าเท่าใดศรัทธานั้นก็จะแปลสภาพเป็น ฉันทาธิปตีฉันทาธิปติเนี่ยนะมีชันทะเป็นอธิบดีมีสติเป็นอธิบดีแล้วก็เออเข้าไปมีจิตเป็นอธิบดีถ้าหากว่าจิตเนี่ยนะเห็นคุณเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดมีศรัทธาเท่าใดกล้าที่จะเจริญเท่าใดเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นวิริยาธิปตี แล้วก็ถ้าเจริญแล้วก็เข้าใจพุทธคุณยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเท่าใดอันนั้นก็จะเป็นมิมังสาธีปฏิปีเนี่ยนะนะบางครั้งเจริญพุทธานุสติด้วยฉันทะคือมีศรัทธามีกําลังมากบางครั้งเจริญพุทธานุสติด้วยวิริยะเนี่ยนะนะก็คือกล้าที่จะเจริญกล้าที่จะหมายความว่ากล้าที่จะตัดใจจากเรื่องอื่นแล้วมาเจริญพุทธานุสติบางครั้งก็เจริญด้วยความชํชนานิชํานาญเนี่ยนะนะความคุ้นเคย อันนั้นด้วยอำนาจจิตตาธิปติบางครั้งก็รอบรู้ในพระพุทธคุณเข้าใจในพระพุทธคุณตามกำลังความสามารถอันบางครั้งก็เป็นวิมงังสาธิปตินันจิตของเราเนี่ยให้เป็นไปกับปุสลบางครั้งประกอบด้วยฉันทะบางครั้งประกอบด้วยวิริยะบางครั้งมีจิตเป็นใหญ่บางครั้งมีปัญญาเป็นใหญ่คว่าธิบดีส บรใจของเราก็จะไหลลึกเข้าไปทุกทีทุกทีในพุทธานุสติเนี่ยนะเขาบอกว่าน้ําใดไหลลึกกระแสน้ําตรงไหนเนี่ยนะร่องตรงไหนถ้าน้ําไหลลึกน้ำเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนเส้นทางเดินง่ายๆเว้นไว้แตจ่จะสร้างร่องอย่างอื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งกระแสน้ํามันค่อยเปลี่ยนทิศทางฉันใดใจของเราก็เหมือนกันเราก็ขูดร่องให้มันไหลไปในพุทธานุพุทธทคุณเนี่ยนะให้ไหลไปในคุณของพระพุทธเจ้า ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ พ, ดพูดถึงคนอื่นปับเฉยๆแต่พูดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็ตื่นตาตื่นใจนี่แปลว่าร่องมันลึกถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เฉยๆพูดถึงคนอื่นนี่ก็ตื่นตาตื่นใจอันนี้แปลว่าร่องมันตื้นมากเลยเนี่ยนะมันก็แปลแปลว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนไปเป็นอื่นเนี่ยนะพร้อมที่จะแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นเพราะั้นการเจริญพุทธานุสติเราก็มาดูสังเกตดูว่าร่องของใจของเราเนี่ยลึกในคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใด นะลึกมากไหมถ้าลึกน้อยอันตรายสูงถ้าถ้าใจเนี่ยน ะ, ะโคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าได้ไม่ลึกไม่มั่นคงไม่หนักแน่นพอเนี่ยอันตรายอันตรายดูจากอะไรวันนี้ไปเยี่ยมคนคนป่วยที่อายุมากพอสมควร น, นะอายุแปดสิบห้าเขบอกว่าผมเนี่ยหลงลืมมาประมาณห้าปีแล้วจําได้นะว่าตัวเองลืมมาห้าปีในสิ่งที่ลืมมันนั้นเป็นลืมเรื่องสําคัญหมดเลยเนี่ยนะ อิติปิโสจําไม่ได้เลยนะอิติศิโสไม่ได้เลยสวดมนต์เจ็ด ต, ตำนานเป็นต้นจําไม่ได้เลยไอสิ่งที่ควรจําจําไม่ได้ไปจําได้เรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะแล้วจาได้หมดเลยะนะเล่าเรื่องแต่เก่าแต่ก่อนนี่ได้หมดเลยเว้นไว้แต่คุณของพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่แปลกใจหรอกนั่นเพราะใจของเขามันหลายตื้นในคุณของพระพุทธเจ้าไหลตื้นมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับน้ําหน้าฝนเนี่ยนะน้ำหน้าฝนเนี่ย มันจะไหลไปเนี่ยนะมันอาจจะแตกกระซ้านซ้านเซนไปกระทั่วทั่วไปหมดแต่ถ้าหน้าแรงเมื่อไหร่มันจะไหลไปเฉพาะที่มันร่องลึกๆฉันใดใจของเราทั้งหลายก็เหมือนกันรัะเราควรจะขีดร่องใจให้มันลึกในเรื่องอะไรเนี่ยนะมันเราเนี่ยฐานะพุทธศาสนิกชนผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าใจของเราเนี่ย ล, ลึกในเรื่องพุทธคุณขนาดไหน ถามใจดูแลจะรู้เองนะถ้ามีเรื่องนั้นคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรยามจิตฟุ้งซ่านคิดถึงพระพุทธเจ้าดูซิเป็นอย่างไรยามที่มีเรื่องไม่สบายใจลองคิดถึงพระพุทธเจ้าดูว่ามันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าตอนที่ไม่สบายใจหรือตอนที่ดีใจตอนที่ได้ลาบเจริญพุทธานุสติดูตอนที่เสื่อมลาบเจริญพุทธานุสติอยู่ตอนที่มีพักมีพวกอยู่กับสังคมคนเยอะๆเจริญพุทธานุสติดู ตอนที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยนะเจริญพุทธานุสติดูตอนที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกินอิ่มนอนหลับสุขกายสบายใจเจริญพุทธานุสติดูลึกแค่ไหนหรือตอนที่เจ็บปวดเนี่ยนะตอนที่เจ็บปวดทุกทรมานเจริญพุทธคุณดูเนี่ยนะเจริญได้เท่าไหร่หรือตอนที่ถูกด่าเนี่ยเจริญพุทธคุณได้เท่าไหร่เห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากไหมตอนที่ได้รับคำชมเนี่ยนะ ตอนที่เรียกว่าได้รับใบทวงหนี้กับใบใบอะไรนะใบแบบใบที่เรียกว่าเห็นตับจะเจ็บใจเลยกับใบแบบเห็นปลื้มเลยเนี่ยนะสภาพจิตเราเป็นยังไงถ้าจะนึกถึงพุทธคุณต้องพยายามฝึกเจริญพุทธคุณได้ในที่ทุกคนทุกแห่งในที่ทุกสถานตอนปวดหัวเจริญพุทธคุณดูตอนปวดแขนเจริญพุทธคุณดูตอนปวดเมื่อยเจริญพุทธานุสติดูตอนสบายก็เจริญพุทธานุสติดูถ้าหากว่ามันไหลไม่ค่อยดีเนี่ยอันตราย ถามว่าทำไมเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ถูกลาบครอบงำเนี่ยนะถูกลาบครอบงำตายไปสู่ตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตโปรงมองเห็นผู้ที่ถูกความเสื่อมลาบครอบงำตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนะเราเห็นผู้ที่ถูกยศครอบงำตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาต ผู้ที่ถูกความเสื่อมยศครอบงำตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเราเห็นผู้ที่กับได้รับคํานินทาแล้วก็ตายเนี่ยนะมีจิตใจตกอยู่ภายใต้อํานาจเสียงนินทาทั้งหลายตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตมีใจฟูอยู่ในคําชื่นชมของคนอื่นเนี่ยนะจิตเนี่ยตกอยู่ภายใต้อํานาจคําสรรเสริญเนี่ยนะตายแล้วก็ไปสู่ อ, อบายทุกขติวินิบาตหรือผู้ที่กําลังมีความสุขโดยมากตายแล้วก็ไปสู่ อบายทุกขติวินิบาตหรือผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์เจ็บปวดตายแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตมันโลกกรทำแปดเนี่ยนะพร้อมที่จะครอบงำได้ลาบตกนรกที่มันตกเนี่ยไม่ใช่ตัวลาบนะทำมันตัวทำให้ตกหรอกแต่สภาพจิตที่ไม่ได้รับการฝึกเนี่ยเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะลาบเสื่อมลาบก็เป็นเหตุไปสู่อบายทุกขติวินิบาต ยศเสื่อมยศก็เป็นเหตุให้ไหลไปสู่อาบายทุกขติวิิบัตนินทาหรือสรรเสริญก็เป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุกขติวิบัติโดยปกติแล้วร่างกายของเราสุขกับทุกข์ที่ใดที่เราว่ามันไม่มีปัญหาที่นั่นมันจะมีปัญหา เที่ยวหนังว่าไม่มีปัญหามันก็คันเป็นมันก็เปื่อยเป็นมันก็ผุมันก็พองเป็นต้นเป็นหัวที่ว่ามันรู้ว่าน้ำหนักสบายจะยกจะเดินจะเหินจะเอี้ยวซ้ายเหลียวขวาเป็นต้นเนี่ยนะทำได้หมดพอมันปวดหัวเข้าไปจริงๆก็จะโยกหัวก็ไม่ไหวเนี่ยนะหนังตาเนี่ยแหมกระพริปจะลืมเมื่อไหรก็ได้แต่พอมันยิงหย่อนเลือกเกินเนี่ยนะตาก็จะลืมไม่ขึ้นจมูกก็จะหายใจไม่ออกเนี่ยนะภาษานี่เขาเรียกว่าจะหันใจบาออกกันะ อะไรจะหายใจไม่ค่อยออกเลยนะฟันเนี่ยที่ว่าแหมมันแจ๊งนักเจ๊งหนาเคี้ยวอะไรก็เข้าไปหมดก็ชักไม่ดีจริงแล้วเนี่ยนะคอแม้พูดพูดได้ทั้งวันเป็นต้นเนี่ยนะหนักหนักเข้าจะกลืนน้าลายก็ยังไม่ได้นะหนักหนักเข้าคอนี่แหมเลี้ยวซ้ายเหลียวขวาชํานาญแล้วเกินมหมจะเลี้ยวนิดหนึ่งโอ้ยเนี่ยนะแขนทั้งหลายเนี่ยอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นที่เป็นวัตถุแห่งสุขและทุกเนี่ยนะ มันใครที่จเจริญเวทนานุปัสสนาเนี่ยไม่ห่วงเลยเนี่ยเพราะว่ากายทุกส่วนเป็นที่ตั้งแห่งสุขแลยฮะเป็นที่ตั้งแห่งทุกวัตคือว่าทุกขวัตถุรับสุขวัตถุเพราะถ้ากําหนดรูรูปเท่าใดก็จะเห็นความสุขและความทุกข์ที่มาจากส่วนทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นทีนี้ถามว่าสุขเนี่ยสุขควบคู่กับพุทธานุสติไหมเมื่อสุขและเจริญพุทธานุสติได้ไหมเมื่อทุกขเจริญพุทธานุสติได้ไหม ตอนที่มันดีก็เจริญพุท ธ, ธานุสติได้ไหมตอนที่มันเลวร้ายเจริญพุท ธ, ธานุสติได้ไหมถ้าไม่ได้อันตรายเนี่ยนะเราถ้าพูดโดยทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าเจริญพุท ธ, ธานุสติไม่ได้ในทุกอารมณ์ทุกทวาร เ, เราเรารู้ได้ไงว่าต่อจากทวารตาก็ตายได้นะต่อจากทวารหูเนี่ยนะพ อ, อถ้าเรียนเรื่องวิถีจิตมาเนี่ยเข้าใจเลยต่อจากจักรทวารวิถีจุติจิตก็เกิด ต่อจากโสตะทวารวิถีก็มีจุติจิตต่อจากคานทวารวิถีก็มีจุติจิตต่อจากชิวหาทวารวิถีก็มีจุติจิตต่อจากกายทวารวิถีกายเนี่ยมันได้มาจากทุกส่วนเนี่ยนะไหลจากส่วนไหนๆก็ต่อไปหาจุติจิตแม้แต่เรื่องที่เราคิดทุกเรื่องก็เป็นที่ตั้งแห่งจุติจิตเพราะฉะนั้นสืบต่อด้วยทุกจุติจิตจุติจิตที่ใดก็ปฏิสนธิจิต ก็ต่ออนันตระปัจจัยแวบเดียวเนี่ยนะหายใจ ย, ย่างชา้าก็ไหลไปแวบเดียวเนี่ยนะแล้วสังขารทั้งหลายมันจีรังยั่งยืนไหมล่ะอย่างสมัยใหม่เนี่ยไอ้สมัยที่ระเบิดมันมันรุนแรงเนี่ยนะแวบเดียวเนี่ยก็กระจายไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยนะใครจะไปรู้ว่านั่งอยู่ที่ไหนแล้วอา้าวกระจายไปตั้งเมื่อไรแล้วเนี่ยนะพร้อมแล้วจุติจิตปฏิสนธิจิตโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นในระหว่างกระแสสังสารวัตรก็ไหลไปอย่างนี้แหละ ทีนี้ถามว่าแล้วจิตของเราเนี่ยพร้อมที่จะไหลไปสู่พบใหม่รู้ได้ยังไงว่าไหลไปสู่พบใหม่ก็ตาถ้าไหลไปเห็นก็แปลว่าไหลไปสู่พบใหม่หูไหลไปได้ยินก็ไหลไปสู่พบใหม่จมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรับกระทบสัมผสัสใจนึกคิดนั่นแหละคือไหลไปสู่พบใหม่เพราะจิตทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตหนึ่งดับต่อด้วยจิตหนึ่งเว้นแต่พระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยตัดอนันตระปัจจัยด้วยจุติจิตเนี่ยนะ ขั้นตัดอนันตระปัจจัยตัดการสื่อต่อของจิตนะถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าสแสวงหาที่เกิดหมดเรียกว่าพวกสัมภเวสีนะผู้บุคคลที่อยู่ระดับล่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดเรียกว่าพวกสัมภเวสีไหลไปสู่ปฏิสนธิไหลจากจุติสู่ปฏิสนธิเนี่ยนะเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ไม่ทำความรอบรู้ไม่ตัดกระแสะแห่ง จิตเนี่ยนะเพราะเพราะเชื้อให้จิตปฏิสนธิในภพใหม่ทีนี้เมื่อยังต้องปฏิสนธิในภพใหม่เนี่ยนะบางคนก็บอกแหมเบื่อเหลือเกินเห็นโทษเหลือเกินไม่อยากให้มันต่อไปอีกถ้าคุณพระพุทธเจ้ายังมองไม่เห็นจะไปเห็นนิพพานได้อย่างไงไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเป็นไปไม่ได้บอกอุย้ยน้อมไปนิพพานสินิพพาน ขนาดพระพุทธเจ้ายังนึกไม่ออกไงนะพระองค์ก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีพุทธกิจู้ปฏิบัติตรัสรู้มีพระรูปเป็นต้นน้นนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ายังนึกไม่ออกนะนี่ผ่านไม่ใช่วิสัยเนี่ยนะมิไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นบุคคลที่คิดเจริญพุทธคุณได้จึงต่อจึงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าบอกอะไรสอนอะไรจึงเป็นไปเพื่อพ้นจากจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ยิ่งปฏิบัติเท่าไรยิ่งเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าเอาแบบสูงสุดเลยพระาธหัน์เลิกบำเรยอย่างอื่นหมดบำเรยเฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคําว่าบำเรยก็แปลว่ารับใช้จิตใจอ่อนไปหาพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอันนั้นคือพราธหันธรรมัตทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นโดยที่สุดแม้แต่พระสารีบทสุดแท้แต่พระสุคตพระใจของท่านโอนไปหา พระพุทธเจ้าได้หมดถามว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีความเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้าจะเห็นธรรมของพระองค์ได้ไหมเคลือบแคลงแม้แต่นิดเดียวในพระองค์ก็ตรัสรู้ไม่ได้เพราะธรรมนี้ของพระพุทธเจ้าในพุทธเขตพุทธเขตแปล ว, ว่าหมื่นจักรวาลเนี่ยนะพุทธเขต น, นะในตลอดหมื่นจักรวาลหรือวิสัยเขตเนี่ยนะตลอดอนันต์แจักรวาลหรือตลอดอาณาเขตเออ เ, เรียกว่าอาณาเขตเนี่ยนะ เร่ยกว่าเขตของพระปริศเนี่ยนะก็คือประมาณแสนโกดจั ก, กรวาลวิสัยเขตหาที่สุดไม่ได้เพราะการที่จะแทงตลอดพระนิพพานในยุคที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่เนี่ยนะบุคคลที่จะแทงตลอดโดยลําพังวิสัยแห่งตนไม่ใช่ฐานะมันก็ต้องอาศัยแนวทางมาจากพระพุทธเจ้าบุคคลเมื่อสงสัยในพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะอั น, นั้นมันจะกลายเป็นทิฏฐิทันทีเป็นวัตถุทิฏฐิวัตถุทันทีเพราะ ธรรมะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิคือพนิพานเนี่ยนะสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยนะโดยปกติโดยปกติทั่วๆไปสังขารทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นะบอกละเนี่ยที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐินะนี้เป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิประเภทสัตตทิฏฐินี้เป็นที่ตั้งแห่งอุเฉต ท, ทิฏฐิ นี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทําให้แจ้งพิจารณาอย่างนี้สิตัดมิจฉาทิฏฐิพิจารณาอย่างนี้สิเ จ, จริญมิสัมมาทิฐิพิจารณาอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ชี้แนะอยู่ตลอดเวลาผู้ใดที่ได้รับคําชี้แนะอยู่จากคําสอนอยู่ตลอดเวลาพวกเรียกว่าพุทธเวไนเห็นไหมคือถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนว่าพระพุทธเจ้าชี้แนะตัวเองอยู่ตลอดเวลาพวกนั้นเป็นพวกเวไน พอฝึกได้พอสอนได้เวไนาบางทีก็ชี้ให้ดูได้เรียกว่าพอพูดแล้วเชื่อกันบ้างภาษาอีสานว่าพูดแล้วฟังควมมั้งว่าไงเราพูดแล้วยังฟังความมั่งยังได้ยินถ้อยคำนะยังพอที่จะได้ยินได้ฟังคี้ตามมั่งอะไรตามมั่ง